เพรไม่ได้รักเธอทางรูปร่างอย่างเดียวแต่รักจิตใจอันซื่อสัตย์สุดจริตและจงรักภักดีอย่างเยี่ยมยอดของเธอด้วย สมณพยายามชี้แจงให้เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของโลกเพื่อเกิดความเบื่อหน่ายแต่ว่าได้ผลน้อยเต็มทีเพราะจิตใจขณะ น, นี้ถูกความรักครอบงำอย่างหนานแน่นจนเหตุผลของสุมณนะไม่สามารถจะแทงทะลุเข้าไปได้แต่ดูท่าทางสุมณะพยายามอย่างเต็มที่เชื่อข้าพเจ้าเถอะเรวตะการที่จะสึออกไปสู่โลกภายนอกนั้น เท่ากับเป็นการกระโจนลงสู่ทะเลทุกทีเดียวถึงข น, ขนดาดนั้นเชยวเหรอสุมาณแน่นอนโลกนี้เต็มไปด้วยเพลิงทุกชาวโลกกำลังถูกไฟคือความหิวกระหายลามเียจิตใจอย่างหนักทุกคนกำลังตกอยู่ในสภาพคล้ายเสือหิวคล้ายเสือหิวถูกแล้วหิวรูปหิวเสียงหิวกลิ่นหิวรสและก็หิวสัมผัส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 อาจจะได้คิดกลับใจไม่อยากสึกก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็เล่าไปเลยสมณนะข้าพเจ้าจะฟังเท่าที่พูดไปแล้วนั้นให้ข้อคิดแก่ข้าพเจ้ามากบางทีเรื่องที่จะเล่าต่อไปอาจจะให้ข้อคิดมากกว่าที่แล้วก็ได้งั้นข้าพเจ้าจะเริ่มเรื่องเลยเริ่มได้เลยสมณนะเมื่อประมาณสองปีที่แล้วมาข้าพเจ้านึกครับกุลสตรีรูปงามคนหนึ่งนางอยู่ในกรุงสาวกถีนี่แหละนางนั้นเป็นใครละ่ะ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 ข้าพเจ้าไปก่อน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 อ๋อระหว่างสองวันเนี่ยพักอยู่ที่นี่ไม่ได้นะต้องกลับไปอยู่ที่บุพพารามเอาละไปได้ละ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 นอนคิดแผนการอนาคตสร้างวิมานในอากาศอย่างสบายใจอีกสองสามวันเท่านั้น<ว> ก, ก็จะกลายเป็นสามีลีลาวดีกลายไปผู้จัดการสมบัติอันมหาศาลแทนท่านสุมังคละคราหบดทบีทริวัตตาอริวัตตอยู่รูปล่าอยู่นั่นใครนะ่ะข้าเปเจ้ามาจากุงสาถทีขอเชิญท่านามาหน่อยฮะ อาตอมาออกมาแล้วท่านคือเรวตะใช่ไหมใช่มีอะไรเหอรอลีลาวดีให้ข้าไปเจ้าถือหนังสือนี้มาให้ท่านลีลาวดีเอ๊ะหนังสืออะไรนี่งไงล่ะท่านหนังสือของลีลาวดีท่านเรวัตตารับไปด้วยเป็นนั้นว่าหมดหน้าที่แล้วข้าไปเจ้าขอลาลีลาวดีมีเรื่องอะไรสําคัญ น, นักหนาถึงกลับให้คนถือหนังสือมาให้แต่เดี๋ยวก็รู้หรอกถ้าจะเดา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 เป็นความโกรธแค้นชิงชังอย่างร้ายกาจถ้าหากลีลาวดีอยู่ในที่นั้นด้วยเห็นจะเข้าไปบีบคอจะให้ตายอย่างแน่นอนนักเป็นครั้งแรกในชีวิตก็ว่าได้ที่ได้รู้สึกกับรสชาติของความผิดหวังมันทำเอาแทบกลายเป็นคนวิกลจริตไปทีเดียวเราเดินงุนง่านกลับไปกลับมาเหมือนเสือติดกรงไปเถอะนะ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 จดหมายถึงแม่เจ้าจดหมายของใครมีชายคนหนึ่งมาส่งให้บอกว่าเป็นจดหมายของพระพิสุทิเรวัตต์มีมาถึงแม่เจ้าเรวัตต์มีจดหมายมาถึงเราได้เรื่องอะไรแม่เจ้าอ่านดูเดี๋ยวก็รู้ค่ะจริงสินะเอ็นทีจะเป็นเรื่องการตัดสินใจของเรวัตต์คงจะตกลงใจศึกแน่นอนนะคะฉันก็ขอภาวนาให้เป็นอย่างนั้นศึกเมื่อไหร่ก็จะแต่งงานกันทันทีขอเวลาฉันอ่านจดหมายหน่อยนะ ตามสบายเถอะคะ่ะแม่เจ้าลีลาวดีพร้อมด้วยจดหมายฉบับนี้อาตมาขอลาไปสู่จดหมายปลายทางที่ยังไม่ปรากฏอาตมาได้ตัดสินใจหนีจากลีลาวดีและกรุงสาวัตถีคราวนี้พอพิจารณาเห็นแล้วว่าถ้าอยู่ที่นี่ต่อไปจะเป็นอุปสรรค ขัดขวางความสุขของลิลาวดีต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอาตมาไม่เหมาะสมกับดิลาวดีโดยประการทั้งปวงเทวตากำแต่ชาติก่อนได้ส่งให้อาตมามาเกิดเป็นจันทานเป็นที่รังเกียดเอียดยามของคนทั้งชมชูทวีปชะตากรรมในชาตินี้ได้ผลักดันให้อาตมากลายเป็นมหาโจร ผู้มีเบื้องหลังอันศ ก, กปรปกโสมมอัตมาเป็นสมณะไม่มีอะไรเป็นของตัวเองนอกจากบาทและจีวร อ, อัตมากับลีลาวดีมีฐานะห่างไกลดุดฟ้าและดินค่าของอัตมาน้อยกว่าผงเทหลีฝาเท้าของเธอเมื่อพิจารณาดูสภาพของตัวเองอย่างถี่ถ้วนแล้วอัตมารู้สึกละอายใจตัวเองเหลือเกิน จนไม่อาจจะอยู่ดูหน้าลีลาวดีและชาวเมืองสาววัตถีต่อไปอีกได้จึงขอลาไปตามยถากรรมของตนทูตเรวตตาทำไมคิดแบบนี้จงลืมอาตมาและแต่งงานกับสวัฒนกุมารเถอะเขาอยู่ในฐานะเหมาะสมกับลีลาวดีทุกประการนอกจากจะเป็นความสุขสำหรับลีลาวดีแล้ว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 ม่ให้อะไรรักต่อลีลาวดีได้อาตมายังรักลีลาวดีอยู่และจะรักไปตลอดชั่วนิรันดนรลีลาวดีเขาจะรักเธอตราบช่วงชีวิตนี้ชาตินี้ความรักของเราไม่สมปรารถนาเพราะชาติชั้นวันลนะอันต่ำต้อยของอาตมาเองมากิดกัน้น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 แม่เจ้าตั้งแม่เจ้าเป็นอะไรไปคะสวนนาเจ้า จ, จงไปที่บุพผารามไปดูที่ใที่สุเรวตัตายังอยู่หรือเปล่าบอกเราได้เร็วสวนนาจะไปเดี๋ยวนี้แล้วค่ะแม่เจ้า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 สำเร็จสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วเหรอลูกสุวัฒนะสำเร็จแล้วแม่ศัตรูความรักของข้าไปเจ้าหนีไปจากกรุงสาวัตถีแล้วเฮาลงอกไปทีไม่นึกเลยว่าเจ้าจะทางานนี้ได้สำเร็จเรื่องแค่นี้เรื่องเล็กจะตายไปแม่ไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมากแค่กระดาษสองแผ่นเท่านั้นแต่ผลที่ได้รับยิ่งใหญ่เกินความคาดหมายกระดาษสองแผ่น สามารถทำให้ความรักของคนทั้งสองขาดสะบั้นลงอย่างสิ้นเชิงเออแม่ขอถามอะไรหน่อยเถอะนะสุวัฒนะถามมาเลยแม่ต้องการอยากจะรู้อะไรครับจะาจะชี้แจงให้หายสงสัยจดหมายที่เขียนไปถึงเรวัตตะทำเป็นว่าจดหมายของรีลาวดีจนเรวัตตะเชื่อเสน